ต้นสาธารณผูป้ประกอบธรกิจทั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณฑษสมณีทั้งหลายเศษช่วงนี้เป็นช่วงที่สี่ของเรื่องบาบาแต่ว่าก็เกือบจะต้งสยาตเต็มเล่มอยู่แล้วถ้าเหลืออีกของสองเศษตรกี่ชั่วโมงนะอีกสองเศษอรกอีสองชัง่วโมงแห่งการพูด ก็จบคำว่าจบหมายความว่าจบตอนหนึ่งยังไม่จบเลยเรจยทําทนองสีไปเล่นใ่โตนักแล้วเทพเสียงก็มีเขาเลยถอดจากเทพเสียงนี่เอาไปเขียนเป็นนังสีอึ่งเราตอนนี้ก็ขอยังบ้าต่อไปเพราะคึ้มเรื่องบ้าคุยเรื่องบ้าเนี่มันคึ้มดี ที่ต่อไปเด็กๆอาจจะบอกเออหลุงตาบ้ามาแล้วเมื่อก่อนนี้เขียนเรื่องค้าใช้สับฤศีเพราะว่าเวลานั้นเม่งใกล้จะตายเหมือนกันไปเล่าเรื่องหลวงพ่อปานที่ดูว่านังสือนั่นตรงไปฤศีไม่มีบัตรถ้าตายแล้วก็แล้วกันไป <c oughs> นี่เมื่อเออไม่ตายตอนนี้ไปใช้สับบ้า ดีไม่ดีพวกเด็กๆหรือไม่ใช่เด็กอาจจะเป็นพระก็ได้เขียนว่าไอ้หมอบ้าไอ้เท็นบ้านี่มาแล้วก็ต่างใจคนเราถ้าไม่บ้าก็ไม่หมดทุกข์ถ้าบ้ามากหมทุกข์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนคนดีมีทุกข์มากเพราะนิยมในเรื่องของทุกข์คนบ้าเกลดความทุกข์ <c oughs> เข้าไปกับ เสมหามาเล่นหนักต้องเลิกก็เสร็จนี่แหละตอนนี้ต้องพักกันแค่นี้แล้ววันหลังก็ต่อไปใหม่ <c oughs> มาเล่าเรื่องเพ่นดินไหวกันต่อไปบ้าเพ่นดินไหวตามเดิมคอแย่พอ <c oughs> กลับมาคืนจากคืนนั้นมาหลังจากนั้นกลางวันไปเที่ยวเขาก็พาไปชมสถานที่วกเขาไฟระเบิด อะไรต่ออะไรผมก็ไม่มีความรู้สึกสนุกเพราะคุณแก่หมดสนุกเห็นว่าวัตถุทั้งหมดไม่มีค่าเพี่งไปฐานทัพเรือเขาเล่าเรื่องความเป็นมาญี่ปุ่นโจมตีโอ้เห็นว่าการเกิดเป็นเป็นคนนี่มันยุ่งจริงๆมันมีได้ความทุกข์มันไม่ได้ความวุ่นวายหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ ในเกาะฮาวายนี่ก็ไม่ใช่คน อ, อเมริกันไม่ใช่คนผิวขาวเดิมชาวเม็กซิกันเกาะอเมริกันไอเกาะฮาวายนี่ก็ใหญ่โตมโหรานมากโอ้โหสูงมากใหญ่มากผู้หญิงก็เหมือนกับพร้อมเคลื่อนที่แต่เขาบอกผู้หญิงที่นี่ถ้ายิ่งใหญ่ยิง่งโตยิ่งสวยความสวยก็วัดกันในการใหญ่โตหลังจากนั้นก็เดินทางไปไปแคลิฟอร์เนีย ขณะที่เดินทางไปทีพ่พลเนียไปถึงที่นอนก็มีคนมีพระมารับขอบคุณท่านยังไม่ขอเล่าเรื่องนี้ต่อมาในตอนเช้าหลังจากฉันปัตตาหารเสร็จฉันปัตตาหารตอนเช้าของอเมริกาก็คือกินกลางคืนของประเทศไทยรวมความประเทศไทยเริ่มค่าที่นอนก็เริ่มเช้า แคลิฟอเนียกับประเทศไทยก็เวลาต่างกันนิดหน่อยถ้าไปที่อะไรเอ่อเที่ยวอ้กรุงอะไรเนาะไม่่อยออกใช่แล้วนะ <c oughs> ถ้าไปเมืองนั้นจริงๆนะที่นิวยอร์กนี่มันป่วยครับนึกอะไรไม่เคยออกไปที่นิวยอร์กเมื่เวลาจะตรงกับบดีแค้แต่นาทีของเราเที่ยงวันของเขาก็เที่ยงคืน เพราะเราข้าวของเขาก็เช้าพอดีมงเช้าของเขาก็หนึ่งทุ่มมงเช้าของเขาของเราก็หนึ่งทุ่มจานั้นผมไปอเมริกาพก็ม่ําข้าวกลาคืนของประเทศไทยทุกวันแต่พระพุทธเจ้าไมา่ทรงปรับอบัติแต่ท้องจะล่อผมเข้า <c oughs> ผมก็ไปป่วยเดินโซซัดโซเซแต่ว่าสัญญาต้องไปสัญญา คิดถึงลูกคิดถึงหลานที่อยู่ประเทศอเมริกาเธอดีมากฉันข้าวเสร็จผมก็กลับมานอนพักตอนก่อนเพลเพราะว่าท่ารับแขกทั้งวันผมก็ไม่ไหวร่างกายก็ทรงไม่เคยไหวไปพักที่วัดไทยในแคลิฟอร์เนียพอกลับมาวันนอนนึกว่าไอแผ่นดินที่มันเป็นร่อง ยาวรอบโลกแล้วลมมันมาจากไหนนี่เป็นความรู้สึกจริงๆมันจะเป็นความโง่ของผมว่าการไปในที่นั้นเห็นต่ร่องแผ่นดินมันใหญ่จริงๆมันมีทั้งมันมีตลอดทั้งโลกในประเทศไทยนี่ก็ไม่ใชก่อยพอนอนนึกเท่านั้นก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าท่นลอยอยู่ข้างหน้าท่านถามว่าสงสัยเรื่องลมหรือ ก็บอกว่าสงสัยครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าลมมันจะเข้าไปยังไงแผ่นดินมันถูกปิดทั้งหมดมันไม่มีร่องเข้าเลยไม่มีปล่องลมมันอยู่ผืนผิวผิวของโลกแล้วก็แผ่นดินมันจะไหวเพราะลมกระทบผมก็มองไม่เห็นว่าลมมันจะเข้าไปยังไงลมมันจะพัดไปที่ไหนทางเข้ามันก็ไม่มี ต่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นตามฉันมาสิท <c oughs> ่านก็พาไปใหม่ไปที่เดิมไปเรื่อยเฉยไปตลอดแนวตลอดแนวมันยาวเท่าไหร่มันยาวไปชนกันนะมันทีมันก็ยังแยกอีก <c oughs> ก็แบบว้น้ำใหญ่ๆมันก็แยกไป็นสายๆแต่ต้นทางมาจากไหนก็ต่างคนต่างชนกัน มันยาวเหยียดมันใหญ่มากทั้งโลกมันก็มีไม่ใช่มีเฉพาะอเมริกาแล้วก่อนหน้าที่จะไปเป็นปีเดียวก็ไม่ใช่ไม่ท ร, ราเขาบอกว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยพื้นดินไหวตึกรามพังเปเรื่อรืนาัดหมอเมื่เกิดกระทิงก็มาถามว่าจะเป็นอย่างงั้นอีกไหมครับก็บอกว่าพื้นดินอาจจะไหวได้แต่ที่แคลิฟอร์เนียไม่พังอีกแล้ว ถ้าจะพังก็พังเองไม่จะพังเพราะแผ่นดินไหวที่ต่อไปตอบตามความรู้สึกเมื่อไปถึงเห็นแผ่นดินมันเดือดแอนดี้โครนในโครนดินปนน้ําเป็นลักษณะโครนเดือดปวดปวดปวดปดทั่วไปหมดไอการเดือดขึ้นมาก็เป็นไอขึ้นมาถ้าบอกว่าลมเนี่ยมันมาเจอจุดเนี้ย ลมมันก็มาจากไอน้ำที่มันระเหยขึ้นมาน้ำมันเดือดทาไมเกาะตัวมากๆเขาก็กลายเป็นลมเป็นลมกระแสใหญ่ขึ้นมาเป็นลมใหญ่ลมใหญ่มันก็กระแทกโน้นก็แทกกันนี่มันไปยังก็ถามได้ว่าไอ้ลมมันขึ้นมาทีละน้อยดัน้อยเนี่ยมันน่าจะไหลไปตามกระแสร่องของแผ่นดินที่มันยาวเหยียดไม่น่าจะมีกาลังแรง แล้วทำไมพื้นดินมันจิยงไหวได้ไม่น่าจะเป็นไปได้ <c oughs> นี่เป็นด้านอารมณ์ความโง่ของผมผมยอมรับแต่ก็บอกว่าอารมณ์ใหญ่มันจะไหวมันจะวิ่งไปตามสายสายเขาล่องพื้นดินแตกจริงอย่แหละแต่ทว่า <c oughs> เธอต้องคิดถึงความเป็นจริงจุดหนึ่งซึ่งก็แสรมแรงที่เขาเรียกว่าไอเต่ฝุนที่ฝนผม เ, เรียกชื่อเราไม่ถูก ไอ้โซนร้อนโซนหนาวอะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอรลิวลมแรงๆก็เหมือนกันในมหาสมุทรแม้แต่ประเทศไทยเรวก็โดนมันมีคืออะไรวันพุง่งชนเรือเขาล่มไปบ้างดีไม่ดีเรือสินค้ามีน้ําหนักเป็นแสนตันยอหอกไว้ว่ามันเกาะบ้างไอ้ชนบ้านเดินโรงพังไปบ้างที่คาริพอเนียนั่นผมไปฉายฟัง เห็นไ้ไมไห่หักกัในด้นาดบ้านช่องก็าพังก็พวกเนี่ยลมใหญ่ในทะเลมันพุ่งขึ้นมาบ้านช่องพังท่านก็เลยบอกว่าเธอสังเกตหรือเปล่าว่าผิวโลกน่ะมัน ม, มีความความกวาม้วางใหญ่ไพศาลขนาดไหนว่าลมเกิดขึ้นมาหน่าจะลอยไปบนอากาศแต่มันไม่ไปการไปทิ่มบ้านทิ่มเรืองก็พังมันทําไมเป็นไปได้ ก็ในใต้พผนดินี่มันมีมร่องแครบไอช่องที่อากาศจะลอยตัวขึ้นไปด้วยความร้อนจะลอยตัวขึ้นไปลมจะลอยตัวขึ้นไปมันก็มีน้อยเพราะว่าพืดานมันต่ำในเมื่อมันรวมตัวขึ้นมามันก็ขยายตัวไม่ทันอย่างในมหาสมุทรมันน่าจะขยายเร็วแสนเร็วไปไหนก็ได้แต่มันไม่ไปมันรวมกลุ่มแล้วยิ่งไปชนบ้านชนเรื่องเขา <c oughs> ข้อนี้ชั้นใดแม้แต่ลมแม้แต่ลมที่เกิดขึ้นในช่องเป็นดินแยกและเป็นดินเป็นร่องใ ต, ต้ผืนใต้ผืนผิวที่เรานั่งอยู่มันก็ก่อตัวในลักษณะเดียวกันในเมื่อมันรวมตัวจัดมันก็พุ่งไปชนถนนบ้างชนนี้บ้างในช่องแคบจนกว่าที่มันจะไหลไปทั่วทั่ ว, ว่อง ก่อนที่จะไปความแรงของมันก็ชนเป็นเหตุให้เป็นดินไหวก็เลยเป็นวาทราบว่าอ๋อไอเจ้าลมนี่มันไม่ได้มาจากข้างนอกมันมาจากไอน้าข้างในมีความร้อนสูงแล้วผมก็ขอร้อยท่านไปสารวจความร้อนว่าความร้อนจริงๆใต้ผิวพืนน้นดินเทศพืดินเนร่องใต้ผิวลงไปนะ มันมีความร้อนขนาดไหนดูแลโอ้โหใต้พื้นดินนี้มันร้อนจริงๆมันร้อนจัดมากดีไม่ดีที่รเราเผลอเรี้ยวไฟนรกขวาจริงไม่ไม่ใช่นรกก็อยู่ใต้ดินถ้านรกยืนนั่นผมไปต้องเจอนรกมากแล้วยังกับท่านพระครูอะไรก็ไม่ทราบท่านเกียนหนยงสือมา ถ, ถามว่านรกมันอยู่ใต้ดิน แต่ที่พูดว่านรกมันมีโลกยีโลกหนึ่งเลยโกหก <c oughs> ความจริงผมไม่ได้โกหกท่าน <c oughs> แล้วก็ไม่ได้โกหกใคร <c oughs> ผมพูดตามหลักวิชาความรู้ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระโบราณนาใจา ก, ก็ดีท่านบอกมารก็มันอยู่ใต้ดินท่นไม่ได้หมายความนรกอยู่ในดิน <c oughs> ไอ้ที่ผมไปเจอที่ความร้อนมาอยู่ในแผ่นดินในส่วนลึกใต้ผิวดินลงไปไม่ใช่ใต้ดินใต้ดินมหมายความที่นรกนั้นต้องไม่มีดินผืนนอยู่แล้วมาอยู่ต่ำกว่าเป็นเอ้าวันนั้นก็เลยเข้าใจตามความเป็นจริงว่าความร้อนใต้ผืนแผ่นดินนี้มีมากหนักแล้วที่วกเขาไฟระเบิด ก็มีความเข้าใจว่าไอความร้อนมันกัดหินไปทีละหน่อยหน่อยมันมีอยู่ผิวมากว่างๆมันก็พุ่งมา ท, ทัทีแล้วันทําไมไม่ระเบิดไม่ไปพุ่งตลอดอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันจะมาถามก็นนะผมไม่รู้มันไหมจนให้ห็นอะลายก็ต้องคิดเห็นละลายเปิดเป็นช่องเป็นร่องเป็นปล่องแล้โผล่ขึ้นมา ความจริงมันน่าจะโผล่มาตลอดปีตลอดวันมันก็ไม่ยับโผลไ่ไปไปมันก็หยุดโผล่อันนี้เป็นเพราะอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันและก็ไม่อยากจะเข้าใจต่อไปไม่ใช่เรื่องที่น่าจะรู้ก็เป็นอันว่าวันนั้นมีความรู้เรื่องแผ่นดินไหวว่ามันมาจากกระแสของไอ้น้ำกลายเป็นลม มัน ก, ก่อตัวมากมากขึ้นมัน ก, ก็เป็นลมพายุทิ้งทาโน้นทิ่งอางนี้ที่ไหนพื้นผิวพื้นดินที่เราอยู่ผิวตอนไหนใกล้กับกําลังแรงข้าวลมตอนนั้นก็วันก็ไหวมาก <c oughs> ถ้าอยู่ไกลก็ไหวนอนอยู่ไกลามากความฝันเทียนไม่ถึงก็ไม่รู้สึกไหวและผมก็เลยสนใจเรื่องความร้อนในใต้ผืนแผ่นดิน ว่าความร้อนใต้ผืนแผ่นดินเนี่ยท่านนำมาใช้เป็นแรงงานเผาหลังน้ำให้เกิดเป็นไอจะมีประโยชน์กับ โ, โรงงานมากกระนความเป็นความคิดอย่างโง่ๆของผมพอเลิกจากเวลานั้นมาเวลาวันนั้นไปตั้งแต่เวลาเท่าไหร่สองโมงมีความรู้สึกตัวขึ้นอีกห้านาทีเพลนพอดี กระโลงว่าพมมีความรู้สึกเคลิ้มไปนานหน่อย <c oughs> ถ้าจะถามว่าไปไงก็ต้องตอบว่าเคลิมไปก็แล้วกันผูอ้อย่างอื่นก็ไม่รู้เรื่องผมไม่ได้มีชันมียานกับเขานี่อยู่ๆผมนึกขมาว่เห็นภาพพระพุทธเจา้าเป็นเพราะความเคลิมก็ไม่รู้แล้วผมก็เคลิ้ ม, มเรื่อยไปตามเรื่องตำราเพราะรู้เรื่องของเรามา ที่ตอนรู้มาแล้วนี่จะเริ่มสงสัยตัวเอง <c oughs> ตอนนั้นที่มีความรู้สึกเชื่อมันว่าเป็นจริงตามนั้นพอรู้สึกตัวข้นมาก่อนจะฉันอาหารนี่ที่เรามีความรู้อย่างนี้มันตรงกับความเป็นจริงไหมผมก็มีความมั่นใจว่าฝรั่งนี่เขาเป็นคนอยู่ไม่สุข เขาก็พยายามค้นคว้าหาเหตุหาผลตามความเป็นจริงจนได้เวลาที่ออกไปแขงข้าวก็พบหน้าดรปิญญานุตาลีเทยู่ก็เรียกัไปบอกว่าดรไอ้ที่ผืนแผ่นดินที่มันมีที่มันมีงขึ้นมาเมื่อกี้ฉันไปเห็นมันแล้ววาการเคลิมแต่ปรากฏไปเห็นแผ่นดินมันเดือด มันมีน้ําเปรี้ยนน้นําของโคลนเดือดปุดปุดปุดปุดความร้อนมันสูงมาก <c oughs> แล้วดตรตปริญญาก็บอกฝรั่งเขารู้แล้วครับเธอคงคิดว่าฝรั่งยังผมอาจจะคิดว่าฝรั่งยังไม่รู้ข้อจริงมันไม่ใช่ผมอยากจะถามกับพูดกับเธอไหมความผมอยาจะสอบดูว่าความเครื่อของผมนะั้นมันตรงตามความเป็นจริงไหม ผมเชื่อมั่นว่าฝรั่งเขารู้จริงเธอก็ตอบว่าไอ้เรื่องนี้ฝรั่งเขรู้แลครับเขาเลยบอกไม่ใช่อย่างนั้นฉันต้องการว่าฉันรู้ตรงหรือไม่ตรงกับฝรั่งยังไงยังไงฝรั่งรู้ไม่ผิดเธอก็บอกว่ารู้ตรงครับเธอก็พูดต่อไปตามความรู้เดิมของเธอที่ศึกษามาด้านธรณีวิทยาว่าลมที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้น้านมันเองเธอพูดตรงเป๊า แม่ผมก็ดีใจว่าเออดีจริงๆว่าความรู้คำเครื่มของเรานี่ก็ไปตรงกับความรู้ของฝรั่งนี่มันได้ประเดิบเพื่อนไปสู่สมณเนไ <c> ด <oughs> ้บรรดาญาโยามพุทธบริษัทความรู้ทางพระพุทธศาสนา ม, มาของเราถ้าเรามีความมั่นใจจริงมันก็ชนกับความจริงได้ ซึ่งเป็นหลักวิชาที่เราไม่ต้องใช้ทุนมากเลยไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนในประเทศเราเยอะไม่ต้องจ่ายเงินไทยเป็นประโยชน์กับประเทศอื่นไม่จ่ายไปจ่ายไปแล้วกลับมาไม่เป็นประโยชน์ผมก็เสียดายสตังค์เหมือนกันทั้นการไปของผมคราวนั้นผมคิดว่าคุ้มค่าที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทออกสตังค์ให้ผม ถ้าจะถามว่าเอาเงินที่ไหนไปปะโัวคนอย่างผมเป็นหนี้เขาเป็นลนล้านจะมีเงินที่ไหนไปแต่ไกลจะไปการจะไปทไหนก็อาศัยความดีขบรนดาญาโยมพุทธบริษัทเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหลานคงไม่ได้อดรุ่สิทธิ์ละลูกหลานในอเมริกาก็ต่างคนต่างส่งมาเป็นทุนอันดับแรก และบรรดาญาโยมพุทธบริษัทภายในใ น, ในกรุงเทพฯเราข้างนอกว่างนอกบงังและประเทศไทยก็เป็นการต่างคนต่างรู้ต่างคนก็ต่างให้กลุ่ความไปคราวนั้น <c oughs> คนไปทุกคนต้องเสียค่าเครื่องบินกันเองแต่ทุกคนก็ดีไปทํางานนี้แก่พระพุทธศาสนาสอนกันมาฐานกันด้วยความเต็มใจ ท, ทั้งทั้งในวันเวลาเปลี่ยนแปลงไป รวมความว่าความรู้พิเศษในพุทธศาสนาสามารถตามฝรังได้ <c oughs> ที่ว่าตามฝรังได้ที่จะถามว่าถ้าเราจะรู้ก่อนหน้าฝรังได้ไหมมันคงจะได้ครับแต่ผมไม่อยากรู้คน อ, องค์อื่นท่านอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ผมนักขี้เกียจจริงๆผมมีความรู้สึกว่าการ พอที่เสร็จร่างกายเนี่ยที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม้ของเรามันเป็นของยากแลว้วตั้งใจจะทําใจของเรามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่เสมอถ้าขณะใดเผลอมันญาอาจจะคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหองกลัวตัวเผลอตัวนี้จึงไม่อยากเอาจิตใจไปรู้เรื่องอื่นและความรู้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเด่น เพราะผมทราบว่านภรในประเทศไทยที่มีความรู้ความสามารถกับผมมีก็เกินกว่าผมมีเยอะที่มีตัวมีตนอยู่เวลานี่มีเยอะความรู้อย่างที่ผมรู้นี่ที่บอกเป็ดๆมันเปิดจริงๆสําหรับท่านพวกนั้นท่านโหนั้นท่านมีความรู้ความสามารถดีกับผมเยอะถ้าผมจะนําความสามารถไปเที่ยวกับท่านก็เรื่อง ผมก็เป็นเป็ดนั่นเองแต่ว่าจะถามว่าใครผมจะบอกได้ยังไงในเมื่อตัวท่านเองถ้าไม่พูดตัวท่านเองถ้าไม่บอกและผมไม่ใช่ตัวท่านผมจะบอกได้ยังไงจะถามว่าเป็นการขีดกันความดีกันหรือไจะขีด ก, กันก็ทําไมทุกคนต่างคนต่างช่วยกันจันร์ลงพุทธศาสนาให้คงตัว เราไม่ต้องการพุทธศาสนาสลายตัวถ้าเราจะปิดกันแล้วก็มันก็เป็นการช่วยกันกันก็ทางพุทธศาสนาสลายก็แล้วกันฉะนั้นขอบันดาญาโยมพูทธบริษัทเรื่อเพื่อนพิสุทธิ์สมณรทุกท่านที่มีความสนใจเวลาท่านไปหาพระอะไรท่านก็สังเกตเอาเองก็แล้วกันการฝึกของท่านจากวิชาเป็นหลักสูตรป็ดเป็ดที่ผมให้ ก็ต้องใช้กำลังใจนิดหน่อยถ้าอยากจะรู้อะไรอย่ารู้เองทำใจสบายว่างจจกิเลสทั่วคราวถ้าจุดว่างจกิเลสมีมขึ้นให้ตั้งใจถามพระทันทีว่าพระในประเทศไทยนี้ที่ดีจริงๆมีความสามารถเลยกว่านี้มีที่ไหนบ้าง และท่านคนนั้นอยู่ที่ไหนมีอายุเท่าไหร่มีรูปร่างหน้าตาไปยังไงชื่ออะไรมีความสามารถขนาดไหนวิชาสามเริ่อปัญญาหกรืองไปสมิทายานอันนี้ท่านอาจจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าจงอย่าใช้ความสามารถของตอนเองนะให้เป็นความสามารถของพระท่านบอกเท่านี้พอ เขาจะยอ้อนถามผมว่ารู้ไหมเห็นไหม ก, ก็ตอบว่าบางท่านผมรู้ไม่งั้นาจะพูดได้ยังไงไอ้ก็น่าเสียนใดพระที่พอจะพูดกันได้ท่านตายไปไหลายองค์แล้วท่านที่ตายไปไหลายองค์เป็นพระที่มีความสามารถชั้นเลิศท่านเลิศทั้งศีลส ม, มาธิปัญญาผมขอพูดไปแค่นี้นะ เลิดทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาซึ่งผมเองไม่สามารถจะตามเข้าไปใกล้แม้แต่เงาของท่านน่าเสียดายว่าท่านตายไปเสแล้วและที่อยู่นี้ก็ยังมีคนจะพูดแต่ยังไงล่ะก็ลงความว่าท่านใช้ความรู้ที่มี น, น้อยๆของท่านเข้าไปพิสูจน์แล้วไปในมรสการท่านเจะเรู้ว่าพระพวกนี้นะท่านไม่นินทาใคร ไม่เมาในความรักในระหว่างเพศไม่ติดในสีสันวันนะไม่เมาในความโลภแต่ก็อย่าลืมนะเครื่องสังเกตพระที่ไม่เมาในความโลภคนชอบเอาเงินเอาของเงินทองของใช้ไปถวายอยู่เสมอที่ก็ไปถวายไปโบติกันทั้งมากมาย เพราะอะไรเพราะว่าจิตท่านบริสุทธิ์เพราะท่านไม่เมาท่าไม่โลภถ้ามีความเมามีความโลภคนให้แล้วเขาก็ท้อทั้ง น, นี้เพราะอะไรเพราะพวกนี้ไม่มีคําว่าพออยู่ในใจเพื่อหาความพอมันได้แต่เกิดกายอยากได้เสมอไอ้ตัวกิเลสมันตัดความดีเพราะญาติโยมเวลานี้ก็หาคนงโง่ยาก เวลานี้คนฉลาดเยอะถามว่าอยากคนโง่จะมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่ผมไม่ค่อยอยากพบคนโง่เวลานี้พบทีไรเป็นคนฉลาดทุกทีแต่เมื่ท่านฉลาดอย่างนี้แล้วก็เราต้มทำไมได้ท่านจึงมีความฉลาดเมื่อความฉลาดมีท่านยังเลือกนาเนื้อนาบนที่ดีคนเยหวานพืช ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนนาบุนของโลกท่านก็ยังบอกอีกว่าการหว่านพืชเพ้่หวังผลจะต้องเลือกเนื้อนาีดีถ้าหว่านในที่ดอนเกินไปผลแรงน้ำเลี้ยงไม่ถึงพันพืชตายขาดทุนถ้าหว่านในที่ลุ่มเกินไปน้ำท่วมพันพืชตายขาดทุน ต้องว่าในที่พอดีพอดีฝนก็ไม่แง้งเกินไปไม่ตกหนาะเกินไปน้ําพอดีพื่งก็งามมีกําไรข้อนี้ฉันใดการ บ, บําเพ็ญกุศลทําบุญในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเวลานิย่าโยมฉลาดที่เวลาทกระถินะถ่นก็ถิ่นก็ดีอะไรก็ดีออกมาแจากกรุงเทพกันเพื่อเ พ, พ, พื่เพื่เพ่วลาทกระถินในการนั้นโอ้โห ไปทั้งไหนวันไหนก็เจอรถกระถิ่นเป็นขบวนใหญ่ท่านวิ่งไปไกลสายไกลโนู้นฟังแม่น้ำโขงทั้งกันไปใกล้เขตแดนด้านเหนือยะสุประเทศไทยทั้งวัไปใต้สุดทั้งวัไปท่านไปกันถึงที่สุดความกระไอการไปแบบนั้นมันต้องเสียค่าพานักทหารมากค่าใช้จ่ายสูงมากตัวท่านพวกไปเอง ก็ไม่มีความสะดวกต้องนั่งนั่งแกลวไปในรถไปถึงที่พักก็ไม่แน่ว่าจะพักที่ไหนที่พักดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบบางทีก็ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายที่พักไม่พอก็ต้องโป้เผลอกันกับพื้นแผ่นดินกลางเต้นบ้างท่านก็ไป ก, กันไปอย่างนั้นถ้าไม่ได้ไปเพราะความโง่แต่ไปเพราะความฉลาด ถ้าจะถามว่าวัดใกล้บ้านท่านไม่มีหรือก็เป็นนั้นว่าบางทีท่านผ่านวัดไปเลยลอยวัดถ้าทําไม่จะไม่แวะที่ไม่แวะเขายังไม่ทราบว่าวัดที่ผ่านไปดีพอที่เขาจะทําบุญไหมอาจจะดีแต่เขายังไม่รู้หรืออาจจะดีเกินไปเขาทําบุญไม่ไหวหรือก็บางดีหย่อนไปทําบุญไม่ได้ คือไม่พอดีกับกําลังใจเพราะการทําบุญนี้ก็มีความสําคัญคือผู้รับกับผู้ให้ต้องผสมรสัยกันเป็นอย่างดีถึนการที่บรรดาญาโยามพุทธบริษัท ต, ตามพิการนี้ท่านไปก็ควรจะโมทนาโมทนาคือการยินดีด้วยเราไม่เดียวไปเราท่านท่านกราเราก็แย่งความดีท่านาหน่อยคือท่านไม่ไม่แหวนนั่นคือดีใจกับความดีที่เรมีความพยายาม เรื่อเว่าเวลาลิกซึ่งนาทีความรู้การกระทบจิตนี้เขาวันดาเพื่อนริสุทธิ์สำเร็จใหญาติโยมบริษัทไม่ต้องไปตั้งใจเพื่อรับการกระทบตั้งใจอย่างเดียวคือศีลบริสุทธิ์ตัดโลภความโลภไปการคิดที่จะให้ทานแล้วก็ระ ง, งับดีวนาะในการอย่าให้โกนใจ ทำกำลังใจทรงไว้เสียงพมิหารสรี่รักษากำลังดีด้วยการภาวนาตามเวลาทำปัญญาให้เข้าใจาตามความเป็นจริงแล้วส่งอารมณ์สมาธิไว้ให้จิตเนี่ยงเนงีว่างจากกิเลสโดยจับพระรูประโฉ ง, ง, งพระองค์สมเด็จพระปรมาลกเาเช่คือพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าไม่รู้จักว่าพุทธเจ้า <c oughs> แต่ท่านที่รับฟังอยู่นี้ท่านรู้จักพระพุทธเจ้าหมดสําหรับคนนี้ยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็จับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเรามีความรักให้เห็นเป็นปกติอยู่ในอกหรือเห็นเป็นปกติอยู่ในสมองหรือว่าเห็นปกติที่ลอยข้างหน้าโลอขบนก็ได้ยังใดยังหนึ่งจับภาพให้ชัดเจนแจ่มใสตามกําลังที่พึงทําได้แล้วมีความ พ, พอใจในภาพที่นายก็ไดเห็นเพียงเท่านี้ อารม์สัมผัสของจิตแบบนี้ยะปรากรกระทันทุกขณะที่ท่านปาถนาเวลานี้ก็หมดเวลาจะพูดแล้วครับสัญญาณบอกเวลาสองเครื่องบอกว่าหมดเวลาแล้วขอลาก่ อ, อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสม บ, บูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนบิณุ ส, สมณีผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี